ก็เป็นวันเดือนห้าแลมสิบสี่ค่ำเป็นวันสิ้นเดือนตามธรรมดาวันพระนี่เราก็นับถือกันโดยเฉพาะวันนี่เป็นวันธรรมสวนนคะ์คือเป็นวันฟังธรรม เป็นวันรักษาศิลห้าหรือว่าศิลอุโบสถของอุบาสกบาสิกา <c oughs> เป็นวันฝึกตนของทายกทายิกาทายกทายิกานี่เกี่ยวข้องกับการงานการทำมาหาเรื่องชีพดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรง วางระเบียบไว้เจ็ดวันนี่ให้ทายกทายิกาเข้าวัดกันวางทำสมทานสินุโวสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นการาฝึกฝนอบรมตนเพื่อให้กายวาจาใจมันตะอาดปราศจากกิเลสปาประธรมต่างๆไปโดยลำดับ กายวาจาใจของคนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ฝึกไม่ลงมือสมทานข้อวัดปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ไปกิเลสบาปรธรรมมันก็ไม่น้อยไม่เบาบางออกไปจากจิตใจเพราะว่ากิเลสบาปรธรรมนี่มันมี ติดตัวมาทุกคนกิเลสนั้นะเป็นเชื้อของบาปถ้าาว่าบุคคลไม่ทำให้เบาบางลงมันก็เป็นเหตุให้ได้ทำบาปก็พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าบุคคลจะฆ่าตัดหรือว่าลักทรัพย์ประพฤติผิดในการามกล่าวมุสาวาท ลืมทุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆวันนี้มันก็เกิดจากความโลภหนึ่งความโกรธหนึ่งความหลงหนึ่งกิเลสสามกองนี้เป็นมูลเหตุให้คนเราทำบาปดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้เพื่อปราบกิเลสสามกองนี้ เอาทานการให้การบริจาคทานเป็นการกาจัดความโลภความตณีความเห็นแก่ตัวออกไปจากคิดใจ <c oughs> <c oughs> การรักษาสินสมทานมั่นในสินไม่ยอมร่วงสิกขาบทที่นายน้อยใหญ่ที่สมทานแล้ว <c oughs> ก็เป็นเครื่องบรรเทาความโกรธความเมตต า, าความพอใจในการเบียดเบียน บุคคลอื่นและสัตว์อื่นถ้าใครไม่ตั้งเจตนาที่จะสมทานมั่นในศีลแล้วเมื่อโกรธใครมามันก็ต้องคิดอิจฉาเบียดเบียนหรือไม่ฉะนั้นก็ไม่ยอมให้อภัยแก่สัตว์สิ่งเดรัจานเลยถือเป็นเรื่องธรรมดาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่ไม่นึกว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็มีบางคนน่ะนี่แหละเนื่องจากความโกรดนี่แหละมันหนาแน่นอยู่ในใจมันทําให้นึกถึงบาปถึงเวรถึงภยัยต่างๆไม่ได้ดังนั้นน่ะควรสมทานมั่นในศินอย่างน้อยก็ศินห้านี่ต้องให้มัน่นคงออย่าให้มันด่างพร้อยอย่าให้มันขาด เมื่อเรามั่นใจอยู่ในศีลนี่แล้วบาปใหม่ก็ไม่ได้ทำแบบนี้บาปเก่าที่มีอยู่แต่ก่อนมามันก็ลดน้อยเบาบางลงไปเพราะว่าเราไม่ยึดถืออมันไว้แล้วมีแต่ละมันไปเรื่อยๆไม่ได้คิดที่จะสั่งสมมันต่อไปอีกเช็นนี้บาปกรรมที่ลุ่มหลงทำมาแล้วแต่ก่อน มันก็อ่อนกำลังลงมันไม่ได้มีไม่ได้สร้างเพิ่มเติมอีกกำลังมันก็น้อยลงไปในที่สุดมันก็ระงับจับไปหมด <c oughs> ทรงสอนให้ภาวนาก็เพื่อกำจัดความหลงความไม่รู้จริงไม่เห็นแจ้งในเรื่องบาปปุนคุนโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึง อริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกหนึ่งเหตุให้เกิดทุกหนึ่งความดับทุกหนึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหนึ่งนี่บุคคลผู้หลงนีจะไม่สามารถจะรู้ความจริงของธรรมะเหล่านี้ได้เช่นเมื่อทุกบังเกิดขึ้นมาในกายในใจก็มีแต่ดินลนกระสับกระไซ มีแต่ร้องให้ลำไลคร่ำครวญไปทำอย่างไรหนอทุกนี้จึงจะหายถึงจะมีความสุขทำอย่างไงความเจ็บความปวดนี้ถึงจะบรรเทาลงเคถาตั้งแต่ภายนอกตั้งแต่คนอื่นนูนให้มาช่วยเหลือตนบางคนก็คิดถึงเทวดาอินทร์พรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายนอกนู่น ให้มาช่วยบันเทาทุกข์ในกายในใจของตอนไอ้พวกที่มีความคิดอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ยังไม่รู้เท่าทุกข์ยังไม่รู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงถ้าหากว่ารู้แจ้งทุกข์ตามเป็นจริงนี่แล้วจะต้องรู้ว่าในเมื่อขันห้านี่มีอยู่ตราบใดทุกข์ก็ต้องมีอยู่ตราบนั้น วันนี้จิตนั่นมีหน้าที่จะต้องทําความรู้เท่าขันห้าอันนี้เมื่อรู้เท่าขันห้านี่ก็เป็นอันว่ารู้เท่าทุกเหมือนกันออย่างนี้ความรู้เท่าทุกอย่างว่านี่แหละนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งในทุกตามเป็นจริง <c oughs> อันเมื่อความทุกเกิดขึ้นแล้วก็อย่างว่านั้นแหละ มันกระวนกระวายไม่รู้ว่าจะไปดับทุกข์ด้วยวิธีใดพระพุทธ เ, เจ้าทรงตรัสว่าทุกข์นี่มันเป็นผลมันมาจากเหตุไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นลอยๆความทุกข์ต่างๆนี่นะวันนี้ทรงตัดสรู้แจ้งว่าทุกข์นี่มันมาจากตัณหาตัณหาเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์จริงทีเดียว ตันหาความอยากเมื่อคนเรายังมีความอยากอยู่เรียกว่าอยากเกิดในพบน้อยพบใหญ่อยากอะไรต่ออะไรทารพัอนมอยากมีอายุยืนอยากมีูปสวยลูกงามอยากมีเงินมีทองมากมายกายกองอยากมีลาบอยากมียศถาบรรดาศักด อะไรต่างๆแบบนี้นะเนี่ยท่านเรียกว่าความอยากแต่ความอยากเหล่านี้ถ้าหากว่าบุคคลอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วความอยากเหล่านี้มันก็ไม่มีโทษธรรมดาอยู่เองการเกิดมาในโลกนี้ถ้าหากว่าบุคคลไม่มีลาบไม่มียศไม่มีคนสนรรเสริญเยินยอมีแต่คนดินทา่าร้าย เกิดมาแล้วหาเงินหาทองได้มาแล้วก็มีแต่สิ้นไปศูนไปโดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเป็นตนออกไฟไหม้น้ำท่วมโจนจี้พร้นเอาไปเนี่ยนะบุคคลก็ย่อมประสบความทุกข์ความเดือดร้อ น, นอย่างนี้แหละดังนั้นมันจำเป็นอยู่เองชีวิตนี่นะเกิดมาแล้วก็ต้อง เป็นผู้ขอนขวายทำการงานเมื่อได้เงินได้ท้องเข้าห้องมาก็เราก็ถือว่าได้ลาบเมื่อได้เรียนวิชาความรู้ต่างๆได้เข้าขั้นเข้าไปแล้วอย่างนี้มันก็มีการมีงานทำกับมีผู้มีอำนาจวาสนายกย่องขึ้นให้เป็นผู้มีเกียรติมียศขึ้นมาอ่ก็ เป็นที่นับเคารพนับถือของคนทั่วไปอันนี้มันก็เป็นสิ่งจําเป็นเพราะคนเราถ้าหากว่าไม่มีคนนับถือมีแต่ผู้แสดงตนเป็นศัตรูอย่างนี้มันก็อยู่ลําบากเป็นทุกข์เราจะเป็นสุขได้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเราทําความดีเราทําประโยชน์จนประโยชน์ผู้อื่นคนทั้งหลายเห็นความดีของเราเห็นความเสียสละ ของเราแล้วเขาจึงได้เคารพนับถือยกย่องขึ้นในสังคมไม่เบียดเบียนนี่ก็ถึ ง, งยังมีอยู่เย็นเป็นถูกไปได้เน <c oughs> ะเกิดมาแล้วมีอัตภาพร่างกายมาอย่างนี้ถ้าว่าเต็มไปได้วยโรคภัยไข้เจ็บหาความปกติไม่ได้อย่างนี้มันก็ไม่มีความสุขเลยคนเรา ไอ้ที่เราพอมีความสุขได้นี่ก็พอเกิดมาแล้วอย่างนี้ถึงแม้มีโรคภัยก็เป็นข้างเป็นคาวรักษาแล้วมันก็หายไปร่างกายก็เป็นปกติทําการทํางานอะไรได้ดีอืมกินก็ได้นอนก็หลับออย่างนี้ก็จึงเนี่ถือว่ามีความสุขกายสบายใจอันอันความสุขความ เป็นไปดังกล่าวมานี่เนะี่ะมันก็จําเป็นอยู่เองนะคนเราเกิดมาในโลกนี้แต่แลท้ทีนี้การที่บุคคลจะได้ลาบจะได้ยศจะได้รับความสนเสริญเยินยอจะมีความสุขกายสบายใจดังกล่าวมานี่นั่นมันก็เกิดจากผลแห่งความดีที่แต่และบุคคลทํามาแต่ชาติกอ่อนอ่า แต่ชาติก่อนก็ได้ให้ข้าวน้ําโภชนะอาหารเป็นทานมาแล้วก็ได้เคารพนับถือบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบคนไหวม้มาอืออันนี้สงแห่งบุคคลเคารพต่อบุคคลที่ควรเคารพนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนด้วยว่าเกิดไปชาติใดก็จะไปเกิดในตระกูลสูงอ ไม่ได้เกิดในตระกูลต่ำเช่นตระกูลคนขอทานอะไรพวกนี้นะไอ้ตระกูลสูงเนี่ท่านคงหมายเอาตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยเงินทองเข้าของบริษัทบริวารอะไรพวกนี้แหละถ้าหากว่าลองลงมาก็ได้แค่ตระกูลที่เนี่กว่าพอมีพอกินไม่ได้เป็นหนี้เป็นศิลป์ใครไม่ได้เป็นภาคของใคร พึ่งตัวเองได้อันนี้ก็จัดว่าเป็นผู้เป็นผู้มีตระกูลสูงขนาดกลาง อ, อย่างนี้แหละอันบุคคลที่จะเพียรพร้อมไปด้วยเกียตรติยศมีคนเคารพนับถือดังกล่าวมานั้นนะ่ะมันเกิดจากความฝึกกายวาจาใจนี่เองนะให้รู้จักเคารพรู้จักอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรอ่อนควรน้อม อย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไอ้พวกเราเป็นชาวพุทธนี่เราก็ศึกษาสับตรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ ร, ริยสงฆ์ทั้งหลายอย่างนี้ลแล้วเราก็มองเห็นว่าทั้งสามประการนี้ด้วนแต่ทรงพระคุณอันประเสริฐสมควรที่เราจะพึ่งกราบไหว้สักการะบูชา เราก็จึงได้พากันกราบกันไหว้สักการะ บ, บูชาเมื่อพระองค์สเสด็จจับขันปณิพนานแล้วเคจีอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ออกแบบหล่อรูปของพระพุทธเจ้าไว้ให้คนกราบไหว้สักการะ บ, บูชาผู้ที่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าจริงๆก็จะได้ขอนขวายเมื่อสร้างวัดราอารามขึ้นมาแล้วก็ขอนขวายให้มีพระประธาน ไว้ในศาลากา ร, ปรเปรียนไว้ในโบสถ์ในวิหารไว้ตามสถานที่ควรเคารพกราบไหว้บูชาในวันนี้เราก็เมื่อไปสู่สถานเจนนั้นก็รู้สึ ก, กว่าทุกคนนั่นก็กราบก็ไหว้ด้วยความอ่อนน้อมทางจิตใจก็เคารพจริงๆเพราะว่าเราเร า, เราเราเลื่อมใสเรา มีความรู้สึกในพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ประเสริฐด้วยการที่พระองค์ละกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ทั้งหลายหมดสิ้นไปจริงๆมีพระทัยบริสุทธิ์มีพระเมตตากรุณาสูงยิ่งต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่อสัพพสัตว์โศกทั้งหลายแม่ใครจะเบียดเบียนอิจฉาพระองค์พระองค์ก็ไม่เบียดเบียนตอบอย่างเช่น เมื่อทรงพระชนมาสิบยังอยู่พระเทวทัตหนึ่งนางกินจิมานาวิกาหนึ่งนี่นะะ่าจะแสดงจนเป็นศัตรูกับพระองค์อย่างฉกาศชากันทีเดียวนางกินจิมานาวิกาเนี่ก็ไปเชื่อคำพวกเบ ร, รถีพวกเบ ร, รถีเขาก็ยุโยงเอาให้ ทำตัวเป็นคนว่ามีท้องเอาท่อนไม้ไปผูกไว้ที่ท้องออกนุ่งผ้าห่มผ้าปกปิดไว้คนเห็นเข้าก็รู้สึกว่าท้องโตขึ้นได้โอกาสก็เข้าไปยืนต่อหน้าพระองค์เดี๋ยวก็ไปประกาศว่าพระองค์นี่แหละเป็นชูชกับเขาจนมีท้อง แล้วพระองค์ก็ไม่รับเรียงไม่รับช่วยเหลือคันไม่ไม่ให้ใครมาช่วยเหลือในเวลาคลอดกรรมชั่วที่แกทำลงไปก็บรนดาลให้พระยาอินล่วงรู้พระยาอินก็ในดมิดเป็นหนูขึ้นไปกัดเชือกที่รัดเอวอยู่นั้นขาด ไม้ท่อนก็ตกลงถูกหลังเท้าบวมไปประชาชนเห็นเช่นนั้นก็กลัวกันเข้าไปลงประชาทชนคนเหล่านั้นมีศีลเขาก็ไม่ขายตายหรอกเพียงแต่ทุกแต่ตีฉุดคล้าออกจากหน้าพระศาสดาไปเมื่อคลนพระเนตของพระองค์ไปแผ่นดินก็สูบเอาไปไหมอยู่ในอเวจีมหานรกพระพุทธองค์ก็ทรง รับสั่งแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงไอ้เรื่องเหล่านี้นะไม่มีใครคนอื่นเขาจะรู้ด้วยนะมีแต่ระหว่างเรากับน้องหญิงเท่านั้นจะรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรพระองค์ก็ทรงตรัสตอบนางจินจิมานาวิกาเพียงเท่านั้นแล้วก็สงบนิ่งอยู่นี่แหละ อ, อันพระพุทธเจ้านะ่ะทรงก็คุณอันประเสริฐ คือพระ อ, องค์ไม่อิจฉาไม่เบียดเบียนใครใครจะมาเบียดเบียนพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็ไม่โต้อตอบพระ อ, องค์ก็ให้อภัยไปแต่ว่าด้วยพุทธานุภาพด้วยบุญญาบา ร, รมีที่พระ อ, องค์ได้สั่งสมรมมาแต่อเนกชาติก็ไม่มีใครสามารถที่จะทําลายล้างพระชนม์นชีพของพระ อ, องค์ให้นิพพานไปได้ออ <c oughs> นี่อนุภาพแห่งบุญแห่งกุศลเมื่อบคุคคลทำมากๆเข้าไปแล้วบุญกุศลมันก็ตามรักษาชีวิตนั้นแม้ว่าจะมีศัตรูคอยจองร่างจองผานก็ทำไม่ลงทำไม่ได้อย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าแม่คนธรรมดาสามัญก็เหมือนกันหากว่ามีบุญแค่อย่างเดียวแล้วจิตใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาอย่างสูงอยู่ทุกวันทุกคืนไป เช่นนี้แล้วใครจะมาจองล้างจองผานนี่ไม่ได้หรอกไม่สาเร็จอืมไอการที่คนที่ข่าวคึกคมในหน้านังสือพิมพ์ว่าเท่าแก่นั้นเศรษฐีนี้ถูกฆ่าตายผู้มีอิทธิพลนั้นถูกฆ่าตายอะไรหมดนี่ก็เนื่องมาแต่มันไม่ได้มีคุณธรรมอยู่ในใจอันดีงามนะ ไม่มีกูศนธรรมอยู่ในใจขาดเมตตากรุณามีแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นใหญ่อยู่ในใจคิดหวังแต่จะเอาชนะผู้อื่นอยู่ร่ำไปมันก็เลยเกิดเป็นศัตรูขึ้นชีวิตก็จบลงด้วยสิ่งที่น่าเศร้านี่แหละคนเราน่ะพกโบราณอาจารย์ท่านจึงกล่าวเป็นคำพังเพยไว้ว่า โลภมากมันลาภหายโลภนักมักตัวตายอันนี้ไม่มีผิดเลยแั่นั้นการที่พุทธศาสนิกชนผู้ได้สะดับฟังคำสอนของพุทเเจ้าแล้วมาฝึกจิตใจเขาสนให้เปี่ยมอยู่ด้วยคุณธรรมเปี่ยมอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลอย่าให้บาปอากุศลเข้ามาแทรกแซง อย่างว่านี่แล้วเราก็อยู่เย็นเป็นถุกได้ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครอือย่างนี้แหละอนุภาพแห่งคุณพระรัตนไกลและอนุภาพแห่งบุญแห่งกุศลที่เราได้กระทาบําเพ็ญมาอมันก็ย่อมแสดงให้ปรากฏในปัจจุบันนี้แหละแต่ถ้าหากว่าผู้ใดได้ทํากรรมเวรอันชั่วร้ายมาแต่ก่อนแล้วแม้ว่าในชาติปัจจุบันนี้ บุคคลนั้นจะทำความดีให้สูงส่งอย่างไรก็ไม่ฟังในเมื่อรำชั่วนั้นตามมาสนองทันเวลาใดมันก็ต้องให้ผลเวลานั้นอย่างเช่นพระมหาโมกขันลานะเถระเจ้าก็ น, นับว่าเป็นอัครสาวกเบื้องฟ้าของพระองค์แล้วก็มีฤทธิ์มีเดชเหนือกลัวสาวกองค์ใดๆทั้งหมดถึงกับนั้น พระองค์ก็ท่านก็ยังหลีกเลี่ยงคำเวรไม่ได้คำเวรที่ท่านได้เบียดเบียนมารดาบิดามาตยชาติก่อนโน้นเมื่อมันตามมาทัานเข้ามันก็โดนบันดาลให้พกมีพวกโจรไปทาร้ายร่างกายของท่านทีแรกท่านก็เหาะหนีถึงสองครัง้งครั้งที่สามพิจนาเห็นว่าโอ้เป็นคำเวรของเราที่เราเบียดเบียนมารดามาตยชาติก่อนโน้น ถึงอย่างไรก็คงหลีกไม่พ้นท่านก็เลยไม่หนีแล้วก็ปล่อยให้โจรมันทุบมันตีเอาจนแหลกจนเหลวเขาว่าท่านตายแล้วเขาคนหนีไปแต่แล้วท่านก็อธิษฐานร่างกายให้กลับคืนเหมือนเดิมจึงไปกราบทูลลาพระศาสดาเข้าสูภา่ภนิพานไป <c oughs> อันนี้เรื่องอนุภาพแห่งกรรมเวทที่แต่ละบคุคคลกระทำออามานี่ ไม่มีอะไรจะมาลบล้างได้เลยถ้ามันตามทันเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นบุคคลผู้มาศึกษาพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่ให้รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วบุคคลผู้นั้นจะสามารถละกรรมมันชั่วต่างๆได้เลยแล้วจะประกอบแต่กรรมดีแันนี้นะ จะชำระล้างกายวาจาใจของตนให้สะอาดในชีวิตนี้จะไม่โกรธจะไม่ผูกโกรธไว้กับใครจะไม่ไปวางแผนยื้อแย่งเอาสมบัติของผู้อื่นาเป็นของตนจกเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าตนทาดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วถ้าเมื่อเราละกรรมชั่วลงไปแล้ว นั่นแหละชื่อว่าละเหตุแห่งทุกข์ในอบายภูมิได้เมื่อเราให้ทานรักษาสินภาวนาฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไอโดยลำดับอย่างนี้นั่นแหละชื่อว่าเรากำลังปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือว่าเราประพฤติพอดีพอดีไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไป ให้พอดีพอดีให้ทานก็ให้ตามกําลังเท่าที่จะให้ได้รักษาศินก็พยายามรักษาให้บริสุทธิเ์เรารักษาศินมุ่งหวังป้องกันบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้นในใจไม่ใช่รักษาศินเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญภาวนาแล้วก็ตั้งใจภาวนาเพื่อ สงอยจะให้ใจที่ฟุ้งซ่านเรื่อนลอยนะฮมันสงบลงอืธรรมดาใจนี่เมื่อไม่ภาวนาแล้วมันมีแต่คิดปรุงแต่งไปในะอารมณ์ต่างๆดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างอยู่อย่างนั้นแหลอะอการที่ปล่อยจิตให้คิดไปดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างอย่างนั้นมันไม่แน่นอนเลยแบบนี้นะเออ ไม่แน่นอนถ้าหากว่าตายลงอย่างนี้นะบางทีก็ไปสู่ทุกข์บางทีก็ไปสู่ความสุขมันแล้วแต่ใจเมื่อใจยึดอารมณ์มันชั่วร้ายไว้มากๆการนึกถึงความดีมีน้อยอย่างนี้กรรมชั่วมันก็มีกำลังแรงกล้าเมื่อเวลาชวนจะตายมันก็ฉุดข้าไปสู่นรกอบายภูมิได้ออมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เราภาวนาไหวพระเสร็จแล้วกอนนั่งสมาธิภาวนานั่งคัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้แน่วแน่อธิฐานใจว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ด้วยอำนาจคุณพระรัตนากายนี่ขอให้จิตใจข้าพเจ้าสงบระงับเป็นหนึ่งลงไปขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญารู้แจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้เมื่ออธิษฐานใจอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นไปก็ลับตาแล้วกดตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่ไม่ปล่อยให้จิตไปรู้เรื่องอื่นให้มันรู้ตั้งแต่เรื่องลมหายใจเขา้าหายใจออกอย่างเดียวถ้าทําได้อยู่เนี้จิตมันจะหยุดคิดเลยถ้าหากว่าจิตมันหยุดคิดไปนานๆเข้าไปอย่างนี้มันก็คลายอารมณ์ต่างๆที่มันยึดถือไว้นั่นออกไป คราวนี้จิตก็จะรวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าหากว่าผู้ที่ยับยั้งความคิดไม่ไหวมันชอบอยากจะคิดมากอย่างนี้ก็เราก็คิดพุทธโธนั้นแทนเรื่องอื่นๆไปอเอาเอาพุทธโธน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าละมาไว้ในใจตั้งมั่นอยู่ในใจเราจะนึก ถึงคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นอารมณ์ได้บุญหลายได้บุญกว่านึกคิดไปในเรื่องต่างๆหมดนั้นไม่ได้บุญหรอกอันนั้นเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องได้เรื่องเสียอะไรตออะไรภายนอกมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นบุญเป็นกุศลการที่เรามาลึกนึกพุทธโธคุณเป็นอารมณ์นี่อันนี้ละก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลแล้วจากนั้นให้พากันพยายามทา เมื่อเราฝึกใจนี่ไปนานๆเข้าใจมันก็ตั้งมั่นอยู่ในคุณในบุญในกุศลแล้วจะได้ความสงบได้ความเย็นใจคนเราเมื่อได้ความสงบใจแล้วใจมันก็ไม่คิดฟุ้งซ่านไปไหนแล้วบัดนี้นะก็เมันสบายแล้วนี้มันก็อยู่แต่ละวันก็มีสติประคองจิตที่มันตั้งมั่นอยู่นันให้มันตั้งมั่นเลยไปบัดนี้ก็ใช้อุบายปัญญาคิดบ้างบัดนี้นะเมื่อใจตั้งมั่นแล้ว คิดถึงอัตภาพร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันอาศัยบุญเก่ามาตามรักษาไว้ถ้าบุญเก่านั้นมันล่อยหล่อลงไปแล้วร่างกายในมันก็สุดโทรมไปเรื่อยๆผมที่เคยดำมา ก, ก็งอกฟันที่เคยแน่นมาแต่ยังหนุ่มยังแน่นก็โยกครอนบางทีก็รอนไปอันเนี้ย ตาก็มัวหูก็อื้ อ, ออะไรต้องอะไรก็ชุดท้มไปนี่ความไม่เที่ยงมันแสดงให้เห็นแล้วเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็วันไหวไปมาอาการที่มันวันไหวนะ่ะท่านเรียกว่าเป็นทุกข์การที่เราบังคับให้มันนิ่งนิ่งไม่ได้ไม่ไม่เป็นไปตามใจหวังอันนั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขา เนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ปลงก็วางแบบ น, นี้นะนะเมื่อเห็นแล้วนะเมื่อพินาเห็นแล้วต้องปล่อยต้องวางไม่ใช่ยึดถือเอาไว้ปล่อยวางแล้วก็ทวนกระแส จ, จิตเข้ามาในปัจจุบันให้มากําหนดจิตนี่อยู่ภายในกําหนดความรู้อันนี้นะความรู้ความเห็นว่าร่างกายสังขารมีความเกิดขึ้นแล้วแพร่พลุนแตกดับไป อย่างนั้นก็มา ก, กําหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี่จิตนี่แหละเป็นผู้รู้อ่ะรู้แจ้งในร่างกายสังขาร น, นั้นนะถ้าไม่มีจิตตรงนี้แล้วไม่มีใครรู้เลยเมื่อมีจิตตรงนี้มาแล้วมันจึงจึงรู้อ่าให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วเราก็จะได้ปล่อยได้วางมันพอไปยึดเอาของไม่เที่ยงไว้มันก็เป็นทุกข์อ่มันเดือดร้อนไปอย่างนั้น มันไม่เป็นไปตามใจหวังนี้แหละการภาวนานะขอให้พากันเข้าใจมันเป็นอุบายละความยึดความถือในของไม่เที่ยงเมื่อเราปล่อยวางของไม่เที่ยงได้ก็จะได้ของเที่ยงเป็นทีพึ่งได้ความรู้ยิ่งได้ความเห็นจริง เ, ออเมื่อใจนี้มันรู้ยิ่งมันเห็นจริงแลวมันไม่หวั่นไหวกับทุกข์กับทุกข์กับดีกับชั่วอะไรต่ออะไรในโลกนี่ แล้วเช่นนี้มันก็ไม่มีทุกข์แหละใจอย่างนี้นะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักความดับทุกข์ดับที่ใจดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้อย่าท้าวีวาฮาปูราปาริปุเรนตีสาครังเจวเมวิโตดินนางเปตานางอุปกะปติ จิที่ตังปฏิตังตมังที่ปาเมวัสมิเตตูสเพปูเรนตูสังกปาจันโทพนรโสยะธามณีโชติราโสยะาสพีติโยวิวัฉันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวตวันตรายโยขีที่คายุโกภวาอภิวาตนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายโน จตารโหธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังบะลัง